ใช่สั่งภิกษุรูปเดียวใช่สั่งภิกษุรูปเดียวว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกหญิงชื่อนี้ภิกษุรับคําไปบอกกลับมาบอกต้องอบัตสังฆาธิเศษใช่สั่งภิกษุรูปเดียวว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกหญิงชื่อนี้ภิกษุรับคําไปบอกแต่ให้ภิกษุอันเตวะสีกลับมาบอกต้องอบัตสังฆาธิเศษใช่สั่งภิกษุรูปเดียวว่าพระคุณเจ้า ท่านช่วยไปบอกหญิงชื่อนี้ภิกษุรับคําให้ภิกษุอันเตวาสิกไปบอกแต่กลับมาบอกด้วยตนเองต้องอบัตสังฆาธิเศษชายสั่งภิกษุรูปเดียวว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกหญิงชื่อนี้ภิกษุรับคําให้ภิกษุอันเตวาสิกไปบอกภิกษุอันเตวาสิกไปบอกแล้วกลับมาบอกนอกเรื่องต้องอบัตทุลใจทั้งสองรูป